วันนี้เป็นวันที่สิบสิงหาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าเป็นวันพระแรมแปดข้าเดือนแปดปีนี้แปดสองขนเข้าพวกเราเข้าพรรษามาวันนี้เป็นวันพระแรกวันเข้าบรรษาก็คือวันที่สามวันที่สามสิงหาคม วันนี้ก็เป็นวันที่แปดสิงหาคมเข้าพรรษามาแปดวันวันนี้เป็นวันที่คณะสัายาติโยมอุบาสกผู้ที่ตั้งใจจะสมาทานสินก็เป็นสินแรกของพรรษาเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านอย่าได้อย่าให้ขาดตุกปกพ้องเมื่อเราตั้งจิตหรือ ว, ว่าตั้งใจ อธิษฐานไว้แล้วว่าในพรรษานี้ข้าพเจ้าจะรักษาอุโบสถศีลทุกวันพระแปดคำสิบห้าคำตลอดไรมาตสามเดือนถ้าเรานับดูแล้วก็เดือนหนึ่งก็มีอยู่สี่วันสี่สามก็เพียงสิบสองวันถ้าจะนับเป็นวันนก้อยน้อยนิดในสามร้อยหกสิบห้าวันนั้น เราประกอบคุณงามความดีเพียงสิบสองวันขณะเพียงสิบสองวันพวกเราก็ยังให้ขาดตกบกพร่องยังไม่ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็จะแสดงว่ากิเลสฝ่ายต่ำหรือว่าใจของเราฝ่ายต่ำดึงชักลากจิตใจของเราออกไปกินหรือกออกไปถละขยำํำทั้งที่จะ สังสมคุณงามความดีเพียง12วันก็ยังให้กิเลสไฟต่ำชักลากลงไปจนดุดลุยไปหมดบางทีก็ไม่ครบ12บวันอีกต่างหากสิ่งเหล่านี้พวกเราที่เป็นเจ้าของมองเห็นแล้วว่าคุณงามความดีแล้วว่าความชั่วด้วยความดีมันจะแย่งกันยากมากน้อย แค่ไหนแต่ถึงอย่างไรเราผู้เป็นเจ้าของมองเห็นแล้วว่าการประกอบคุณงามความดีของเราในไตรามาสสามเดือนปีห้าสิบานี้ถึงยังไงก็ให้ตลอดรอดฟังถ้าหากว่ามีความจำเป็นจริงพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือครูบาอาจารย์ที่ผู้มีอุปกระคุณมีความจำเป็นจะได้ไป จะได้ขาดในช่วงที่เรารักษาสินนั้นเราก็ให้รักษาสินทดแทนอีกในวันต่อไปอคือจะให้ขาดไปทีเดียวเหมือนกับเราผ้ามันขาดก็จริงอยู่แต่เมื่อเรามีโอกาสเราก็ต้องปะต้องชนให้มันบริบูรณ์ไม่ใช่ว่ามันขาดแล้วก็ให้มันขาดไปอยู่อย่างนั้นเหมือนกับผ้าขาดไม่มีปะไม่มีชนชเฉลย อันนั้นแปลว่าเจ้าของเสื้อผ้าไม่ให้ความสนใจแต่ถ้าเราให้ความสนใจเมื่อมันขาดไปแล้วเราก็ต้องทําทดแทนให้มันดีขึ้นกว่าเก่าสมมุติว่ามันขาดไปวันหนึ่งเอ้าข้าไปเจ้าจะรักษาศินเพิ่มอีกวันหนึง่งนี่แหละอันนี้คล้ายๆกับเพิ่มเติมให้มันเต็มขึ้นสรุปแล้วก็คือไม่ให้ขาดตกบกพร่องในการสร้างคุณงามความดีที่เราได้สร้างสัจจะอธิษฐานไว้แล้ว นี่อยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายทุกๆท่านที่ได้ตั้งสัจจะอธิษฐานไว้อย่าได้อย่าให้ขาดตุกบกพ่องในการตั้งสัจจะของตนเองถ้าบอกคราวนี้ก็โกหกโกหกตัวเองต่อมาก็โกหกตัวเองผลที่สุดก็เลยหาความจิตสัต์จริงกับตนเองไม่ได้ล้มเหลว อ, อยู่ตลอดถ้าคนอื่นโกหกเราอเราก็เสียใจ หัวฟัดห้วเหวี่ยงโกรธให้เขาว่าเขากกเเโกหกตัวเองคะแต่พอตัวเองโกหกตัวเองในท้งวีง่ทั้งวันทั้งที่จะตั้งเป็นความสัตย์จริงแล้วก็ล้มเหลวโกหกตัวเองไม่ว่าอะไรนี่แหละมันมนุษย์ตัวกยิเลยมันเห็นแก่ตัวอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นขอพวกเราท่านทั้งหลายอย่ามองคนอื่นให้มองตนเองนี่ก็วันนี้ก็ออ เป็นวันหนึ่งที่พวกเราจะประกอบคุณงามความดีศิลแปดถ้าผู้ไม่ได้อั น, นี้คือสินห้าถ้าศินห้าก็ยังดีแต่อย่าให้คาโูกบกพ้องเมื่อเราตั้งจัดจะอธะทิฐานไปแล้วแต่ศิลแปดได้ก็ดีรักษาศินอุโบสถเพียงสิบสองวันยังไม่ได้อันนี้หลวงพ่อว่าเราจะเป็นผู้ประกอบคุณงามความดีได้อย่างไรพระสงฆ์ ที่อยู่ในวัดของเรา42รูปท่านรักษาสินสอง2้อีสิเนี่ยสิซกขาบทแต่ท่างว่าพวกเรานับดูแล้วว่าสินีิบของพระนั้นก็ออกไปจากสิน5้าสินของพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยนะจนถึง227เนี่ยนับ1 2 3 4งสมหดนมันก็ผ่านไปพวกเรารักษาเพียง8ข้อ ยังไม่ได้อันนี้กระนาคิดเหมือนกันนะเพออาะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านให้ใส่ใจในพรรษานี้อันนี้เป็นวันพระแรกที่พวกเราสตาร์ทเตรียมตัวเตรียมตัวอย่าให้ขาดตัวบกพร่อรักษาศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์อย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวสีเลนสุขติงยันติผู้จะไปสู่สุขติได้เพราะศีล สีเลนะโพกสัมปทาผู้จะมีโพคะสมบัติได้เพราะศินสีเลนนิพุติงยันติผู้จะไปสู่ทิพานได้ก็เพราะสิลศินเป็นพื้นฐานคุณงามความดีเหมือนกับเราจะสร้างตึกรานบ้านช่องจะสร้างสะพานสร้างถนนสร้างตึกสิบชั้นเราก็ต้องมีฐานฐานก็คือศิน ถ้าคนมีสินดีแล้วจะทำอะไรต่อไปก็เป็นสิริเป็นมงคลทั้งนั้นถ้าคนขาดตกบกพร่องในสินไม่มีสินไม่มีธรรมไม่มีจริยธรรมในตัวจะพูดยังไงจะทำยังไงมันก็ขาดตกบกพร่องเพราะฐานไม่ดีเพราะนั้นสินเป็นฐานคุณงามความดีเพราะนั้นพวกเราควรจะรักษาฐานที่มั่นของพวกเรา คือศีลไว้ให้มั่นคงอย่างน้อยก็มีศีลห้าถ้าผู้ใดก็ตามมีศีลห้าพระพุทธเจ้าท่านพยากรณ์หรือบอกตรัสไว้เลยว่าคนนั้นปิดอบายพภูมิไม่ตกนรกไม่เป็นเปรตไม่เกิดเป็นสัตติระชานถ้าผู้มีศีลห้าถ้าว่านไม่มีศีลห้าแล้วไม่รับรองไม่รับประกันพระนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านเรื่องศีลเรื่องศีล เป็นพื้นฐานไม่ควรจะมองข้ามถ้าพวกเราเป็นผู้มีสินแล้วจะไปนะัสถานที่ใดถินด่นใดก็มีแต่ความไว้วางใจเพราะเป็นผู้มีศินคงจะไม่ทาความช่วยชาเสียหายแน่นอนเพราะคนคนนั้นเขาเป็นผู้อยู่ในศีนลธรรมเพราะนั้นเรื่องศีลธรรมไม่ใช่ของเล็กน้อยนะเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจกันในมวลมนุษยชาต ไม่รู้ว่ายุคไหนสมัยไหนถ้าคนมีศีลธรรมแล้วในยุคนั้นสมัยนั้นก็มีแต่ความร่มเย็นผาสุกแล้วก็วันนี้เป็นวันที่สิบสิงหาคมพุทธศักราช255พวกหราสาพวกคณะัตยาธิโยมผู้ใดจะไปทอดผ้าป่าสามัคคีที่วัดป่าบ้านตาดเพื่อสมทบทุนเครื่องมือแพทยเจ้าพกุลสมเด็จพระสังฆราช ท่านจะมีการทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลพระหพนพผลพระยาหะเสนาจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้แล้วก็บายมงหลวงปู่ธรรมหลวงปู่พระอุดรมยานโมรีวัดโพธิสมพรเป็นประธานทุกปีที่ผ่านมาแต่ปีนี้ก็ไม่ไมแน่ใจไม่มั่นใจเหมือนกันเพราะท่านอายุก็ร้อยกว่าปีแล้ว ท่านจะเป็นประธานให้ได้อีกหรือไม่แต่ทุกปีที่ผ่านมาหลงปู่ท่านก็นไปเป็นประธานพาทำทำวัดพาลูกหลานไปคารวะหลวงตาแล้วก็ทำคารวะหลวงตาเสร็จแล้วก็คารวะหลวงปู่พระอุดมยานโมรีด้วยแต่ปีนี้พวกเราก็คงจะทำลักษณะอย่างนั้นะคือวันแรมแปดค่าทุกปี คือเข้าพรรษามาแลมหนึ่งค่ำนะพอแลม8ดค่ำพวกเราก็ไปพร้อมกันคารวะหลวงตาคณะสงฆ์ทั่วภาคอีสานไม่ใช่ภาคอีสานทั่วประเทศใครอยู่ที่ไหนก็ เ, เดินเดินมานั่งรถมานั่งเครื่องมามาร่วมคารวะหลวงตาแลม8ดค่ำแต่ปีนี้ก็เพื่อหลวงตาจากไปแล้วก็ยังยึดแนวทางเก่าไว้อยู่แต่ จะมีคนมามากน้อยแค่ไหนอันนั้นก็ยังวันนี้แหละที่เป็นวันพิสูจน์ว่าคนจะมามากไหมแล้วก็เมื่อไปถึงแล้วก็บ่ายโมงบ่ายโมงก็เริ่มพิธีคารวะองค์หลวงตาพร้อมกันแล้วก็คารวะพระอุดมญาณโมลีอีกพร้อมกันบ่ายโมงจากนั้นพวกเราก็รอเวลาจนถึงบ่ายสี่โมง ทูลกระหม่อมฟ้าจิงจุราพรวารรักท่านจะเสด็จมาเป็นประธานทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์อย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเบื้องตน้นแล้วก็ปีสมเด็จพระวรนรัตรองผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศมาเป็นประธานฝ่ายสงแล้วก็มีเจ้าคณะภาคภาคแปดนี่คือธรรมยศ แล้วก็เจ้าคณะจังหวัดหจังหวัดแล้วผู้วาราชการจังหวัดหจังหวัดแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการหจังหวัดหกจังหวัดนั้นคือจังหวัดไหนบ้างอุดรห น, นองคายบึงกาฬสกลนครนนทบนรีลำพูนจังหวัดเลยจะร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคีบ่ายสี่โมงวันนี้ดันั้นพวกคณะชาติา ญ, ญาติโยมผู้ที่จะไปได้ ก็ไปร่วมกันเพื่อทาบุญสร้างบุญสร้างกุศลหาโอกาสอย่างน้หาทะยากเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าท่านจะทำได้ง่ายง่ายแต่เมื่อทาแล้วก็จะเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองเพราะว่าเจ้าพระคุณสมเด็จไปสร้างตึกที่จังหวัดกาญจนบุรีพระวัตุมงของพระองค์คือบ้านเกิดของพระองค์แล้วก็สร้างตึกขึ้นมาแดชั้น ยังขาดอุปกรณ์การแพทย์ทั้งหมดเพราะนั้นคณะสงฆ์คณะศิษยานุศิษฐ์ ท, ท้งหลายมีพระเทพหรือพระเทพของเราเนี่ยเป็นประธานหาทุนเปิดซื้อเครื่องมือแพทย์ชุดนี้เป็นประธานฝ่ายครวัตแต่ประธานฝ่ายสงฆ์ก็คือสมเด็จพระวรรณรัตน์เป็นผู้ประสานเพื่อถวายเจ้าพระกุลสมเด็จพระสังฆราช อายุร้อยปีอันนี้ก็คือพวกเราจะได้ทําบุญร่วมกันเมื่อถวายไปแล้วไม่ใช่ของพู่หนหรือพ่อผู้ใดนะเพียงว่าเพียงแต่ว่าเจา้าพวกเจ้าพวกคุณสมเด็จเป็นหลักเป็นหลักแล้วพวกเราก็ถวายเข้าไปเมื่อเขาถวายเข้าไปคนละมากคนละน้อยคนละนิดคนละหน่อยแล้วก็เป็นก้อนพอเป็นก้อนขึ้นมาแล้วก็ซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาล ว่าจะให้ผู้ใดใครผู้หนึ่งเป็นคนซื้อก็ไม่มีไม่มีกําลังถึงขนาดนั้นแต่ถ้าหลายคนถ้าหลายคนก็จริงอยู่ไปคนละทิศคนละทางไม่มีหลักก็ไม่รู้จะรวมกันที่ตรงไหนอันนี้คือท่านเป็นยืนเป็นหลักให้ในเมื่อเมื่อท่านยืนเป็นหลักให้พวกลูกหลานทั้งหลายคณะศิษยาณุศิษย์ทั้งหลายประสกนิกกรทั้งหลายก็ร่วมกันบริจาคเมื่อได้เงินเป็นก้อน ขึ้นมาแล้วก่ซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลแล้วก็ไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดเมื่อซื้อคือนมื่อคือสาธารณประโยชน์ถ้าพวกเราพี่น้องของเราลูกหลานของเราหรือใครก็ตามไปเจ็บไครได้ป่วยอยู่ที่กาญจนบุรีก็พวกนั้นก็ต้องเข้าโรงพยาบาลกาญจนบุรีจะเป็นของใครก็เป็นของพวกเราทุกคนอีกเหมือนกันอันนี้คือช่วยสาธารณประโยชน์ ให้เก็บประเทศชาตินะเปัจฉะนั้นวันนี้วัดของเราก็ได้เตรียมตัวตุปัจเหมือนกันที่จะไปร่วมสมทบการซื้อเครื่องมือแพทย์เครื่องมือแพทย์ในครั้งนี้ด้วยนะแต่ก่อนเราเค ย, เคยทํากับองค์หลวงตาหลวงตาท่านเคยช่วยเหลือพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมสาธารณประโยชน์แต่คราวนี้สมเด็จพระสังฆราชท่านได้มาขอพี่น้องลูกหลาน จิตญาุสิทธิตของหลวงตาเพื่อให้ช่วยช่วยกันเพื่อจะสร้างจะได้อยากจะได้เครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลอันนี้ก็คือวันนี้นะและก็พร้อมกันพวกเราทุกๆ ท, ท่านอย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าศีลพวกเราสมาทานศีลศีล น, นี่คือพื้นฐานทานศีลคือทา น, นะคือทานเน่ยเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆท่ทาน ไม่ว่าเราเกิดณสถานที่ใดถิ่นใดในหลักของพุทธศาสนา ร, รมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วท่านไม่ให้ประมาทในการสร้างคุณงามความดีถ้าว่าพวกเราได้พบได้เจอพระปัจเจศพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระรหันสสวาสพผู้ปฏิบัติดี ป, ปฏิบัติชอบพวกเราได้ทำบุญทาทานอันให้สงทานนั้น่ะจะติดพบติดชาติของ พวกเรานานเท่านานอันนี้สงทานในการทำบุญด้วยศรัทธาของพวกเราเนี่ยแหละเรื่องทานไม่ใช่ของเล็กน้อยเกิดมาพบใดชาติใดก็เป็นผู้ไม่อดไม่อยากเป็นผู้ร่ำรวยกิจการงานของเราก็เป็นไปได้ด้วยดีราบรื่นเพราะอะไเพราะในอันนี้สงการทําทานถ้าคนไม่มีการไม่มีอันนี้สงทานเกิดพบใดชาติใดก็ทุกยากลาบาก แต่ในครั้งพุทธการก็ยังมีอย่างพระพาหิยะอย่างนี้หลวงพ่อยกให้ฟังคือท่านไม่ได้ทําบุญกับอัฏฐบริขารท่านเกิดในศาสนาของพระพุทธเจ้ากัจจปะอายุยืนถึงสองหมืปีก็เป็นพระไม่รู้กี่หมื่นไม่รู้กี่พันปีในศาสนาของพระพุทธเจ้ากัจจปะท่านก็ไม่ได้ขนขวายในเรื่องจะช่วยอัรฐบริขารหรือว่าหาบริขารให้แก่หมู่พระ มีท่านบำเพ็ญภาวนาของท่านอยู่กินไปเรื่อยๆของท่านบำเพ็ญจิตภาวนาของท่านไปเรื่อยอันนั้นคือว่าทางที่ถูกต้องก็ถูกต้องจริงๆแต่พอท่านไม่พ้นทุกข์ในศาสนาของพระพุทธเจ้ากัจสปะพอมาเกิดในศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราคือพักโขตะมะพอเกิดขึ้นมาแล้วก็ได้บวชโดยเอหิพิคุปะไม่ได้บวชพอมาฟังพระธรรมเทศนา พอมาฟังพระธรรมเทศนานได้สําเร็จเป็นพระรหันต์ขณะเป็นโยมนะยืนฟังกลางถนนอีกต่างหาพระพุทธเจ้ากําลังเสด็จบินเบาตรในกรุงสาวัตถียืนฟังเทศได้สําเร็จที่พระพุทธเจ้าเทศสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราท่านฟังแล้วก็ได้สําเร็จเป็นพระรหันต์ในขณะนั้นพอได้สําเร็จแล้ว พระพุทธองค์ท่านมีญาณทัศนะเนี่ยเยกว่าจุตูปปาตาญาณน่นยคือการจุดจีการเกิดการตายของสรรพสัตว์ทางหลายที่เวียนว่ายตายเกิดมาจากไหนมาเกิดที่นี่ออกจากนี่แล้วจะไปไหนนี่แหละเรียกว่าจุตูปปาตาญาณพระพุทธองค์ก็ได้ใช้ญาทัศนะตัวนั้นะตัวที่ท่านได้ตัดสรุปที่โคลนต้นโพเนี่ยมองดูในพระพาหิยะที่ได้สําเร็จพระรหันต่อหน้าเนี่ยท่านก็มองดูอดีต พ่อท่านมองดูแล้วพระพายะไม่เคยทำบุญในอัฐบริขารไม่เคยทำบุญกับผ้าไม่เคยทำบุญกับบาทไม่เคยขนขวายที่จะทำบุญทำทานกับพระองค์อื่นเลยมิเคยมาอยู่มากินเลยกับปฏิบัติธรรมรักษาศีลไปเรื่องทานนี่ไม่ได้สนใจนี่เมื่อพระ อ, องค์ตรวจ ด, ดูในญาณทัศน์ญาณจู ต, ตูปรปาายานพราะพระพายะ ไม่เคยทําบุญกับอัตถบริขารมาก่อนจะเรียกอัตถบริคารให้พระภัยยะไม่ได้ถ้าว่าพระภัยยะเคยทําบุญกับอัตถบริคารแล้วพระพุโรหิจะตรัสว่าเอหิเอหิพิคุอุปสัมปทาท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดทำและวิ น, นัยเรากล่าวไว้ดีแล้วเพียงคําเดียวเท่านี้แหละบริขารจะล่องลอยมาทางอากาศมากระมาสวมท่าน แล้ก็เป็นพระภิกษุในเดียวนั้นอันนี้คือผู้ที่บวชต่อหน้าพระพุทธเจ้าต่อพระพักดพระพุทธเจ้าเนาะบวช ด, ด้วยเอหีภิกขุนคือพอได้สำเร็จพระโสดาบันแล้วอย่างพระโกนญญเนี่ยทัญะเนี่ยพระกทยะเพื่อได้สำเร็จพระโสดาบันท่านก็ขอบวชเพราะเกิดจัตธานและขอบวชวันนี้คือเป็นหนทางที่ถูกต้องเป็นธรรมะที่ถูกต้องที่พระพุทธเจ้าตรัสไว พอขอบวชพระพุทธองค์ก็บอกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดทำและวินยัยเรากล่าวไว้ดีแล้วพระอัญญาโกนัญญาก็เป็นภิกษุในเดียวนั้นบริขารก็ล่องลอยมาในอากาศจะเป็นเท ว, วดาและเป็นอะไร อ, อในยุคสมัยนั้นเราก็ไม่ได้เกิดในยุคสมัยนั้นแปลว่าล่องลอยมาก็เป็นภิกษุต่อหน้าพระพักตร์หรือว่าต่อหน้าพระพุทธองค์ที่ท่านได้กล่าวโดวยอํานาจคิด ด้วยอำนาจบุญฉั้นจะว่าด้วยอำนาจบุญจะมากกว่าไม่ใช่ด้วยอำนาจฤทธิ์ถ้าอำนาจฤทธิ์คงจะเเสพที่ไหนก็ได้ทั้งนั้นฤทธิ์เนะี่ยจะด้วยอำนาจบุญแต่ทุกองที่ได้ทําบุญไว้ท่านเล็กเอหีบิกขุอย่างนั้นบริขารก็ต้องลองรอยมาแต่นี่พระพาหิยะนี่ท่านไม่เคยทําบุญกับบริขารเลยพระพุทธองค์มองดูแล้ว ไม่ได้เพราะไม่มีบุญไม่มีบุญในการทำบุญทําทานท่านก็บอกว่าพาหิยะเธอตรงเธอจงไปโสแสวงหาผ้าเมื่อได้ผ้าแล้วเธอจงค่อยบวดเมื่อภายหลังนะพาหิยะนะพระพทุทธองค์ก็ไม่ใช่ว่าเอาบุญบา ร, รมีของพระองค์ให้ไม่ใช่ก็ให้ตัวเองไปหาบริขารบริขารเอง ผลที่สุดพระภายยะก็ได้เดินออกจากที่ฟังพระธรรมเทศนาแต่ใจของท่านน่ะใจของพระภายะะภายะนั่นได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วแต่ร่างกายของท่านยังเป็นโยมอยู่ยังเป็นโยมอยู่เพราะได้ไม่ได้บวชแต่ใจของท่านเป็นพระอรหันต์แต่จากนั้นท่านก็เดินออกมาหาผ้าเพื่อแ ส, สวงหาอัถบริขาร แต่พอเดินมาไม่นานกรรมเก่าของท่านคือบุพกรรมคือการกระทำของท่านในอดีตนะท่านไปทากับคู่คนทั้งหลายในไว้ในอดีตกับน่แหละแม่บัวตัวหนึง่งแม่ลูกอ่อนนะพอเห็นพาหิยะตอนนั้นอนะ่ะพรอมันกระโดดเข้ามากับควิดเลยชนนะชนเข้ามาในท้องน้อยของท่านท่านก็งายพึงเลยจากนั้นท่านก็เลยนิพพานนะ แต่จะว่าตายหรือมรณะภาพทรไมไดาไม่ได้เพราะว่าพระพายยะนี่ท่านสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วจะท้องวันนิพพานถึงจะเป็นโยมก็เถอะตรงวันนิพพานเพราะท่าใจของท่านถึงพระนิพพานแล้วแต่เพียงร่างกายของท่านเทต้นเองเป็นโยมอยู่แต่ยังไม่ได้บวชแต่ใจของท่านเป็นพระอรหันต์บอกว่าพระพายยะนิพพานแล้วเพราะอะ่ะเพราะวัวที่เป็น เจ้ากำนายเวรในอดีตชาติพอเห็นเข้ามาแล้วก็มากระจองเวรนะเป็นครั้งนิจชาติที่เป็นชาติสุดท้ายแล้วพ่อไปทําเขาวไว้อย่างหนักบัวตอนนั้นพอเห็นแล้วก็เป็นอริศตูอย่างหนักเหมือนกันฆ่าไม่ไว้ชีวิตของเธอละครนี้เห็นลักษณะอย่างนั้นบัวตอนนั้นก็ดกระโดดควิดเลยท่านก็ล้มตายอยู่ข้างถนนนี่แหละ คือเรามาย้อนม า, มาพูดถึงว่าอ น, นิี้สงแห่งการทําทานถ้าคนไม่ได้ทําทานทําอะไรก็ยุ่งยาก อ, อ, อาหารการบริโภคผ้านุ่งห่มยาแก้โรคภัยไข้เจ็บเงินคําทรัพย์สมบัติก็ฝืดเคืองไปด้วยกันทั้งนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะอันนี้สงทานไม่ดีแต่ถ้าว่าผู้มีอันนี้สงทานยินดีในการทําบุญทําทานมันเหมือนกับแม่เหล็กมันเป็นพลัง ในจิตใจของคนคนนั้นเกิดในภพใดชาติใดภูมิใดอาหารการบริโภคก็สมบูรณ์บริบูรณ์ น, น, นี่แหละอเนกสงทานพระพุทธเจ้าจึงไม่ให้มองข้ามในการทำบุญทำทานอ น, นี้แหละคือทานะคือทานส่วนศินก็คือการคุ้มครองพวกเราอย่างที่พวกหลวงพ่อได้พูดว่าให้มีศินห้านะให้มีศิลอุโบสถสินนะคือสินห้านี่คือคุ้มครองในการเป็นอยู่ของพวกเรา เกิดมาพบนชาตินี้ถ้าเรามีศีลห้านะอย่างพระพาหิยะนะถ้าท่านมีศีลห้าเนะี่ยบัวตัวนั้นก็คงจะไม่ได้ทำอะไรคิดอะไรท่านเพราะท่านเป็นผู้มีศีลในอดีตแต่นี่ท่านไปทำไม่ดีเอาไว้ในอดีตพอไปทำไม่ดีเอาไว้ไปฆ่าเขาเอาไว้พอไปฆ่าโสเพณีในอดีตชาติไปฆ่าโสเพณีร่วมกันฆ่ า, าห้าคน นะท่านก็คือคนหนึ่งนะที่ไปร่วมและก็ฆ่าเขาโสเพนีก่อนที่จะตายมันก็เลยผูกพยาบาทอาฆาตนะ อ, อพวกท่านทั้งหลายในทั้งห้าคนนะมาทํากับฆ่าอย่างนี้ถ้าหากว่าต่อไปภายพักหน้าขอให้เราขอให้เราได้ฆ่าพวกท่านทั้งหลายนนะทุกทุกพบทุกชาติไปด้วยเถิดนะคือโสเพณีมันก่อนตายมันผูกพยาบาทอาฆาตเอาไว้แต่นั้น เกิดมาพบใดชาติใดโกงล้อกำกรรเวียนเนี่ยพอมาเจอกันแลยไปว่าไม่รอดนะเน่เขาจะต้องถูกฆ่าตายนี่ก็เหมือนกันท่านพาหิยะก่อนนี่แะพอมาชาตินี้ก็เป็นชาติจุดท้ายของท่านท่านก็ต้องถูกฆ่าเพราะอะไรจึงถูกฆ่าเพราะชาติที่แล้วชาติคนก่อนนั่นแะท่านไม่ไม่ได้รักษาศีลศีลไม่ได้คุ้มครองท่าน ทา้งทานไม่คุ้มครองด้วยและก็ไม่มีศีลอีกต่างหากเพราะฉะนั้นแต่ทําไมาท่านจึงได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ในาศาสนาของพระพุทธเจ้ากัจจปะในยุคอย่างนี้พระพุทธเจ้ากัจจปะปรินิพานปรินิพานพอพระพุทธเจ้ากัจจปะปรินิพานพระสงฆ์ในยุคนั้นยุคสุดท้ายปลายแดนก็มีความคิดเห็น แ, กแกตกต่างกันถึง คนนึงก็แสวงหาลาบคนหนึ่งก็แสวงหายศคนหนึ่งก็แสวงหาสรเสริญคนหนึ่งก็แสวงหาความสุขนอกหลู่นอกทางสุดแท้ต่ไก่แสวงหาอะไรพอลกนี่มันโลกหาได้โลกนี่หาได้หาดีก็ได้หาชั่วก็ได้หานรกก็ได้หาสวรรค์ก็ได้หานิพพานก็ได้แต่ที่ต่างคนก็ต่างหาใครๆก็ต้องการอะไรก็หาอย่างนั้นแต่ที้พระภิกษุเจ็ดองเนี่ย พวกเราพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ยังบริบูรณ์อยู่แต่ทำไมพระสงฆ์ถึงออกนอกรูนอกทางพวกเราควรจะไปหาภาวนาหาที่ตายดีกว่าที่จะเป็นอยู่อย่างให้มีชีวิตอยู่อย่างนี้ถ้าเรามีชีวิตอยู่อย่างนี้ก็นี่แหละผลทางไปสู่นรกได้ง่ายมากเพราะเราขาดศีลธรรมเพราะฉะนั้นพระเหล่านั้นก็เลยส่วนกันเป็ น, เปนสเป็นสหายกัน เยกว่าสหาธรรมิกเป็นสหธรรมิกคือเป็นสหาย ร, รมกันเดินเข้าไปในป่าไปเข้าไปไปเห็นภูเขาลูกหนึ่งเป็นแท่งมันสูงสะดุดขึ้นไปทั้งสี่เหลี่ยมมันกลมขึ้นไปเป็นภูเขาสูงโดดเด่นจากนั้นทั้งห้าองค์เนี่ยหองค์และเจองค์เนี่ยหลวงพ่อไม่ชัดเจนจะเป็นห้าองค์ซะมากกว่านะพระทั้งห้าองค์เนี่ยก็เลย ทำบรรไดลิงขึ้นไปเอาไม้เนี่ยทำเป็นไม้พระองค์ไงไม้พระองค์คือไม้ไผ่คาดตะเภาขึ้นไปมัดมัดมัดมัดต่อต่อกันไม้แห้งให้แน่นหนามั่นคงมันมัดมัดมัดมัดขึ้นไปก็พรมพากันไต่ขึ้นไปพอไต่ขึ้นไปไปถึงยอดเขาพอไปถึงยอดเขาแล้วก็ถามกันเลยแต่เอาใครจะลงมีองกไหนจะลงไหมเนี่ยฮะพวกเรามีมีใครจะลงไหม ไม่ลงไม่ลงเอาต่างผักบันไดนะผักนะผักบันไดนะเอาผักได้คือหลงมติกันแล้วก็ผักบันไดเลยพอบันไดค่่มลงไปก็บอกกันเลยตายลูกเดียวพวกเราหาภาวนาใครจะเลือกเอาตรงไหนเลือกก็ได้เลือกที่ตายเลยนะมุมไหนใครต้องเอาใครต้องการมุมไหนเลือกเอาบนหลังเขานี่ก็จากนั้นก็ต่างโคนก็ต่างเลือก เลือกเอาคือตั้งกติกากันว่าถ้าใครได้สาเร็จเป็นพระอรหันต์ก็ไปได้แต่ถ้ายังไม่ได้สาเร็จเป็นพระอรหันต์จะไม่ทานอาหารจะไม่กินอะไรทั้งหมดถ้าว่าใครจะเอามาให้ก็ไม่กินแต่ใครเป็นสาเร็จแล้วก็ออกไปได้ทีนี้พระเหล่านั้นก็ต่างองค์ก็ต่างหามุมของใครของเราเลยพาวนาลูกเดียวเพราะทียังไงก็ตายแล้วลงไม่ได้ล้ กระโดดลงไปก็แปลว่าตายปีนลงไปก็ลงไปไม่ได้ตายตายตกตายอีกออภาวนาดีกว่านี่อันนี้แหละคือท่านเอาอย่างอุกฤตเดตะเนีเสียสละอย่างสุดที่สุดเลยคือตายในธรรมตายด้วยความมุ่งมั่นตายด้วยความตั้งใจตายด้วยความหวังพ้ทุกข์จากนั้นพอต่างคนก็ต่างอยู่ในมุมของใครของเราคิดว่าจะคุยกันนะอ ย, อย่าไปหวังเลย เพอมันยจะไปเครียดเนอะแกเครียดไปเพื่ออะไรมันได้อะไรในการเครียดเพราะได้ตกลงกันไว้แล้วมีแต่ดูใจของตอนเองเท่านั้นะต้องเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาดูใจของเองตลอดเป็นยังไงพอนั่งพอคืนหนึ่งผ่านไปองค์หนึ่งได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ในบรรดาหมู่เพื่อนกันที่อยู่ยบนยอดเขา พอท่านได้เป็นพระาหารานหเนี่ยท่านก็หาะได้แต่ยแสดงฤทธิ์ได้พอท่ อ, อ, อไนไปบินธบาติพอบินธบาตกลับมาก็มาชักชวนให้หมูทั้งนด้วยการเอา้าผมบินธบาตได้แล้วนะหมูพวกเพื่อนมามามามาฉันอาหารพวกท่านต้องการอะไรต้องการนา้ำต่อการอาหารเอา้ามาผมจะถวายให้พวกท่านฉันพระจำนวนที่เหลือโอ์เราตั้งกติกากันไวแล้วว่าถ้าองค์ไหนไปได้องค์นั้นก็ฉันฉัน ถ้าองค์ไหนไปไม่ได้จะไม่ฉันใช่ไหมใช่เราแต่พูดกันอย่างนั้นเอาถ้า ง, งั้นก็ท่านฉันจ้ะพวกเราจะยังไม่ฉันองค์นะเออถ้ า, า ง, งั้นขอขอให้พวกท่านทั้งหลายตั้งใจนะพวกเราเดินมาถูกทางแล้วปฏิบัติให้พิจารณา น, านนะถูกทางแล้วนะนี่แหละถูกทางแล้วที่เราปฏิบัติมานี่เดี๋ยวผมไปเลยนะครับนะองค์นี้ก็ไปเลยขหจากภูเขาไปเลย แล้วองค์ที่สองวันที่สองต่อมา อ, องค์นี้ได้สําเร็จเป็นพระอนาคามีไม่ถึงเป็นพระอรหันต์นะคือทำโลกุตตรธรรมเลยมีอยู่สี่ขั้นพระโสดาพระสกทาคาพระอนาคามีพระอรหันตะ์พระอรหันต์แปลว่าสูงสุดแต่องค์ที่สองในเป็นพระอนาคามนะีองค์นี้ก็ห่อเหินเดินฟ้าได้อีกเหมือนกันไปบินธบาทกลับมาไปชวนหมูฉันอีกเอา้ามูผมบินทบาทมาได้แลนะ้นวนะอ้าวนี่มลมาฉันเดี๋ยวผมจะถวาย พระจำนวนสามองค์โอ้ไม่ได้ท่านเราได้ตั้งกติกากันไว้แล้วเอาท่านฉันชัพวกเราไม่ฉันองค์นั้นก็พอเออเอาเราเดินมาถูกทางแล้วนะสหธรรมิกนะให้พวกท่านภาวนาต่อไปผมไปแล้วนะครับองค์นี้ก็ไปอีกเหมือนกันยังเหลือจุด่สามองค์ถึงภาวนาอย่างไรก็ไม่ได้สําเร็จผลในสูงเลยตายอยู่บนยอดเขากับรวมทั้งพาหิยะอีกองค์หนึ่งอยู่ในนั้นนะ่ะ ในสามองค์นั้นพอตายเสร็จแล้วท่างกับไปสู่สวรรค์ต่างคนก็ต่างไปสู่สวรรค์ของของใครของเราแนตะ่จะนันก็พอจะนั้นก็นากนนกนมาเกิดมาเกิดกั น, นไปเป็นพ่อค้าสเผากันเหลือแตกนะเดินมาพรมที่เป็นพระอนาคามีนะที่ปนไปสู่ภพมาโลกนะอาวหาอัตปาสุสสาสุสีกเนธานพรม คนนี้ลงมาเตือนพายยะเพราะพายยะเดินผิดทางดูสิท่านภาวนาถึงขนาดท่านจึงเดินผิดทางได้นะกิเลสไม่ใช่ธรรมดานะพวกเราท่านทั้งหลายนะต้องสู้นะพระพายยะท่านภาวนาถึงขนาดนั้นลงมาเกิดเลงมาเกิดก็เป็นใกล้ชายฝั่งทะเลเขาก็ชักชวนเป็นพ่อค้าเรือเดินสะเพาไปธมาค้าขายพอไปถึงกลางมหาสมุทรเรือแตก พอเรือแตกเนี่ยพระพายยะก็ได้ไม้กระดานแผ่นหนึ่งลอยคอเล ย, เลยแต่ตามไม่จริงในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกว่าถ้าว่าชาตินั้นเป็นชาติที่จะได้บรรลุด้ือว่าชาติที่จะได้สําเร็จเป็นพระรหารถึงจะฆ่ายัางไงก็ไม่ตายถึงจะไปตกน้ําตกเหวที่ไหนก็ไม่ตายมันมีสิ่งที่จะช่วยพื่อจะได้สําเร็จเป็นพระทหารในชาตินั้นยังไงก็ไม่ตาย จนกว่าได้สาเร็จเป็นพระอหารส์ซก่อนเออยังค่อยยังค่อยตายยังค่อยทิ้งถาดทิ้งกันนี่พระพายยะก็เหมือนกันท่านเขาไปอยู่ในกลางมาหาสมุทรลอยคออยู่เนะี่ยเจดวันนะ่ยพอขึ้นมาตามปกติน้ําทะเลมันก็ต้องซัดเข้ามาหาฝั่งไนงะแต่ท่ก็มาท่านก็แผนกระดานแผ่นนั้นน้ําทะเลก็ซัดเข้ามาหาฝั่งพอมาหาฝั่งท่านก็ขึ้นมาก็มองนู่นมอ ง, มอ ง, มองนี่ไม่เห็นไนะ เห็นแต่พวกปอพวกปานพวกผ้าอะไรขาดขาดอะไรส่วนเสื้อผ้าของตัวเองน่ยแก้ทิ้งหมดเหมือนกันเป็นชีเปลือยเลยพอมาถึงฝั่งแล้วก็ไปเห็นปอเห็นปานเห็นอะไรที่มันพอจะพันตัวเองได้ก็จับมามัดมัดพันพัร่างกายเพื่อกันไอ้แก้อายกันอายของตนเองเพราะตัวเองไม่มีเสื้อผ้าจากนั้นก็เดินดุยดุไปก็ไป กินที่ของเขาบูชาตามโคนต้นไม้นะไปบูชาเทพเจ้าเหล่าเทวานพอจะยังชีพเนะี่ยที่คนทั้งหลายก็เห็นเห็นโอ้อันนี้เป็นผู้มักน้อยสันโดษนี่นะดูสิเขาหนุ่งผ้าแบบปอนๆเขาหนุ่งผ้าอย่างนี้อันนี้แหะคือพระรหันต์เป็นผู้มักน้อยสันโดษคนสมัยนะ้ำเกลือกับคนสมัยนี้คล้ายๆกันนั่นแหละ การให้ข้าบวาใครแต่งตัวแปลกๆจะนับถือเลื่อมใสลักษณะอย่างนั้นอ่ะแต่ทีนคนอะไรก็ น, นับถือเลื่อมใสท่านพายะที่มาจากน้ำทะเลเขาเอาตองการอะไรท่านก็ได้ทานอาหารที่ชาวบ้านก็อเอามาให้พาอได้กินข้าวขึ้นมาเอ๊แต่งตัวอย่างนี้มันก็ดีมอนกันนาไม่ต้องหาหาอยู่หากินยากลาบากทำตัวอย่างนี้ก็ดี คนนับถือเลื่อมใสจากนั้ น, นท่านก็ทำตัวไม่มีเสื้อผ้าอย่างที่ว่ายืนว่าแขนอีกต่างหากทําท่าเป็นผู้มีตะปะเข่งเคร่งคัดอีกต่างหากให้คนนับถือเลื่อมใสคนทั้งหลายก็ น, นับถือเลื่อมใสมากหลังไหลเข้ามาเพราะว่าถือว่าท่านเป็นพระหานเป็นภูมิมักน้อยสันโดษขนาดเสื้อผ้าก็ยังไม่นุ่ง อยู่กินก็กินแบบนิดๆหน่อยๆฮะแต่พอกลางคืนก็คงจะหม่ำใหญ่แล้แต่พอกลางวันมาคนเห็น ก, ก็กินอย่างนั้นเพื่อจะให้เขาเคารพนับถือเลื่องใส่ที่นี้พรมที่อยู่สุดทวารห้าชั้นที่เป็นพระ ส, สหายกันสมัยอยู่บนยอดเขานะเออพาหิยะนี่เดินผิดทางเสียแล้วถ้าว่าเธอปฏิบัติตนอย่างนี้เนะี่ะนรกนะไม่ใช่นิพพานะนะนรกนะจะไปเนะี่ย ท่านก็เลยลงมายืนอยู่ในอากาศยืนอยู่ในอากาศก็ถามพาหิยะเธอก็รู้แก่ใจว่าเธอไม่ใช่พระหันแต่เธอเดินทะเลไปเหลือแตะได้ไมก้กระดานลอยคอเข้ามาหาฝั่งเธอก็รู้แก่ใจไม่มีใครที่จะรู้ความลับของเธอยิ่งกว่าเธอแต่ถ้าว่าเธอทำตนอย่างนี้นั่นล่ะนรกนะไปทางไปนะพาหิยะนะ พอเธอเดินผิดทางเสร็จแล้วเป็นมิจฉาทิฏฐิเสร็แล้วนี่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกเดี๋ยวนี้ประทับอยู่ที่กรุงสา ว, วัตถีวัดป่าเชตะวันทางที่ถูกท่านควรจะเดินทางไปเดี๋ยวนี้ไปฟังพระธรรมเทศนาของท่านนั่นแหละ น, นั่นแหละหนทางที่ท่านจะพ้นทุกในวัฏสงสารเป็นพระรหันต์อย่างแน่นอนพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วตัจรู้เป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว พอาพายะได้ยินเพียงแค่นั้นนะเกิดความสรดสังเวชใจอย่างใหญ่หลวงเลยก็เลยทิ้งตรงนั้นเลยหาเสื้อผ้านุ่งแล้วก็ตรงไหนกรุงสวัสถีใชด้นดัน้นเดินอย่างไม่คิดชีวิตชีวาเลย่าเนีจนมาถึงวัดป่าเชตตะวันมหาวิหารถามพระพุทธเจ้าอยู่ไหนพระสงฆ์ก็บอกว่าพระสงฆ์ที่บิณฑบาตกลับมาก่อนนะ จัดอาหารเสร็จแล้วท่านก็นเดินขึ้นโมนั่งภาวนาของท่านพระพุทธเจ้าอยู่ไหนพระพุธองค์กําลังบินทบาทอยู่ที่กรุงสาวัตถีโยมมาจากไหนมาจากท่าเรือเอยอยูดรอจุกอนเดี๋ยวทาน้ามันทาเท้าซะก่อนเพราะเท้ามันแตกเดินทางไกลเท้ามันผุพองทาเท้าอะไรซะก่อนพักพรอนะก่อนเดี๋ยวพระพุทธองค์เสด็จกลับมาแล้วค่อยฟังธรรมเทศนาแล้วบอกเขาไปพบพระองค์ท่านพระสงฆ์เขาแนะนํา แต่พาหยะไม่ยอมบอกว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่รู้จะตายในลมหายใจเข้าหรือลมหายใจออกเมื่อไร่ไม่มีใครรับประกันได้ในขณะที่รอฟังธรรมเทศนาหรือคบรอพบพระพุทธเจ้าอยู่เนี่ยเราอาจจะตายก่อนก็ได้เพราะนั้นไม่ไว้ใจในชีวิตผมจะไปเดี๋ยวนี้แหละไปกราพบพระพุทธเจ้าให้ได้พระสงฆอเอ อ, เอไปตามมัธยาใสแต่ใ น, นพาหยะก็เดินมปนะ เดินไปเห็นพระพุทธเจ้าคนบางเดินบินทบาทอยู่เกิดความปีติอย่างแรงเลยพราะเคยได้เห็นพระพุทธเจ้ากัจจ ป, ปะในครั้งก่อนมาแล้วนะอุปนิสัยของท่านดั้งเดิมยังมีอยู่เห็นพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์บินทบาทเกิดศรัทธาอย่างแรงน้ําตาไหลนะเลยใคเข้าสอือกสะอื่นขึ้นมาเข้าไปกราบพระพุทธเจ้าขึ้นไปปนมือพระพุทธเจ้าข้าข้าพระองค์เดินทางไกลามาจากท่าเรือ ขอพระองค์จงแสดงธรรมให้ข้าพระองค์ฟังด้วยเทิดทั้งที่พูดจะอึกสะอื่นเพราะพระพุทธเจ้ามองเดือแล้วว่าการที่จะแสดงธรรมให้แก่คนจิตยังไม่นิ่งคือยังมีปีติคือความหวันไหวไกวแกลงอยู่จะแสดงธรรมให้ฟังหึืยังไงให้ฟังมันก็เข้าไม่ถึงพระพุทธองค์บอกว่าพาหิยะยังไม่ใช่การยังไม่ใช่การที่เราจะแสดงธรรมพระองค์ก็เดินต่อไป ภระายยะเมื่อได้ยินพระพุทธองค์ตัดอย่างนั้นแล้วก็ปีติคือความอิ่มใจเนี่ยลดลงเ ล, ลดลงครับความเสื่อื้อสื่ื้อเนี่ยลดลงะนะพร้อมที่จะฟังก็เดินปีปพระพุทธเจ้าขา้าขอพระองค์จงแสดงธรรมให้ข้าพระองค์ฟังโดยเทิดเพราะข้าพระองค์ไม่ไว้ใจในชีวิตไม่รู้จะจะตายเมื่อไหร่พระองค์จงแสดงธรรมให้ข้าพองค์ฟังอย่างยังไม่ใช่การอันควรพาหายะคือพระพุทองค์ยัง ม, งมองอยู่ว่า พายยะนียังยังใจยังไม่นิ่งยังกระเพื่อมอยู่นะจากนั้นพอเป็นครั้งที่สเนี่ยใจพระพายยะนี่เนิ่งแล้วถึงเลยเนี่ยแค่ว่าตั้งตัวได้แล้วเพราะได้เตือนถึงสองครั้งแล้วพอครั้งที่สเนี่ยใจนิ่งพอใจนิ่งพระพุทธองค์เอาฟังเนี่ยฟังตั้งใจฟังเนี่ยพระพายยะก็ยืนปนมมือฟังเนี่ยพระองค์ก็เทศให้ฟังเรื่อง สิ่งในริงหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วสิ่งนั้นดับเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมาแล้วดับคือดูดูที่ใจแก้ที่ใจหลุดพ้นที่ใจอย่างที่ได้พูดนั่นคือถ้าให้ดูใจจากนั้นท่านก็ได้สาเร็จเป็นพระหันในขณะที่ยืนฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์กับมองดูอดีตชาติของพาหยาิยะ มีอุปนิสัยได้ทำบุญทำทานไว้ไม่ในอดีตนะไม่ได้ไม่ได้ทำเนี่ยแล้วก็มองไปอีกว่าเขามีกรรมอันไหนไว้ไหมก็รู้ว่ากรรมของเขานะ่คือจะต้องถูกวัวขีดจะต้องตา ย, เ, ยเพราะกรรมของเขาที่ทำไว้ในอดีตชาติ น, ะนี่เราพระพุทธองค์ของเราด้วยศาสน า, ษ า, ษ า, ราพระพุทธศาสนาของเราเนี่เรียกว่าจุตูตตป ป, ป, ปาตยานการตุติของสรรพสัตว์พระองค์มองเห็นได้ชัด อย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวพระพาหิยะเป็นตัวอย่างให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษานี่แหละอันนี้ก็คือพวกเราที่หลวงพ่อพูดให้ฟังหรว่าแนะแนวให้ฟังคือพระพาหิยะทารุจริยะเนี่เป็นผู้ได้รับเอตตะคะจากพระพุทธเจ้าเลิศ ก, กว่าภิกษุทั้งหลายที่ได้ตัดจุลุเร็วฟังพระพุทธองค์เทศ เพียงสบาทพระคาถาคือสคำเท่าทนั้นได้สําเร็จเป็นพระรหันตนะ์จากนั้นนะอันนี้ก็คือเป็นชลสําหรับสําเร็จพระรหันต์ขณะที่เป็นโยมอยู่เพราะนั่นขอให้พวกเราทุกๆกท่านนะทคำคาสอนของพระพุทธศาสนาทำคําคสอนของพระพุทธญามีที่ไปมีที่มามีเหตุผลสรุปแล้วหลักธรรมคือเหตุผลขอให้พวกเราทุกทุท่านเดินตามเหตุผล เมื่อดเดินตามเหตุผลและมรรคผลนิพพานก็คอยพวกเราอยู่น ะ, ะงการพูดและการแนะแนววันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาตอนนี้ไปคณะสงฆ์จอนโมทนาให้พร